ขออัญเชิญพระวจนะนำการเผยพระวจนะในหัวข้อพระพรผ่านทางบรรพรุบรมศรปรากฏอยู่ในพระธรรมอพยพ บ, บทที่ยี่สิบข้อสี่ถึงข้อหและข้อสิบสองความว่าอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดที่มีอยู่ใน ฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่า ก, กราบไหวหรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคง ต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนและขอ้อ12จงให้เกยียรติแก่ บ, บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าและพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ3ความว่าไฟบุตร จงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่ บ, บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก ขอพระเจ้าจะส่งอวยพระพรมาเหนือทุกท่านที่ได้อ่านและฟังพระวจนะของพระองค์อาเมนสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสของผมอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มาแบ่งปันพระวนะของพระเจ้าหัวข้อที่อยากจะให้เราคิดด้วยกันก็คือพระพรผ่านทางบัมพุรุษ ผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ส่วนใหญ่ก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบางคนก็เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสียเองเสียแล้วตอนนี้นะครับางเราทุกท่านที่ให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับสุขภาพของเราหลายคนคงมีโอกาสไปตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อเราไปตรวจสุขภาพนั้นมักจะมีการซักประวัติแล้วก็ถามประวัติของการเจ็บป่วยส่วนตัว แต่นอกจากนั้นก็จะมีการซักประวัติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือบัณฑุศของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายมะเร็งร้ายหรืออะไรหรือไม่บางคนเราก็ใส่ว่ามีบางคนว่าไม่มีบางคนก็บอกไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่แต่สิ่งที่วงการแพทย์ให้ความสำคัญก็คือว่ามีโรคบางอย่างนั้นอาจจะสืบทอดมาทางพันธุกรรม หรือมาจากบาัณฑรุณนั้นไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับอดีต ท, ที่ไม่เป็นอดีตของเราอย่างเดียวแต่ว่าเชื้อสายต้นตระกูลของเรานอกนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม้ทั้งรูปร่างหน้าตาของเรายกเว้นบางคนที่ไปทำํำศัลยกรรมที่เกาหลีก็อาจจะไม่สามารถมีหลักฐาน ยืนยันได้นะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำสัญญกรรมตบแต่งหน้าตาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับบัพปุลของเราบางคนเนี่ยนั่งด้วยกันเนี่ยก็ไม่ต้องแนะนำตัวว่านี่เป็นลูกหรือเป็นแม่หรืออะไรเนี่ยเพราะว่าหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันเมื่อวานนี้ก็ได้พบคนรู้จักคนหนึ่งนะครับก็มาคุณแม่ก็บอกว่ า, าหน้าเหมือนคุณแม่ นะไม่ต้องบอกก็รู้แต่ว่ า, าวัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่าจริงๆอะ่ะไม่ใช่เหมือนคุณแม่ เ, เหมือนคุณทวดมากกว่านะแล้วเาก็หยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนรูปให้ดูแล้วก็โชว์ว่าเนี่ยคุณทวดเขาเนี่ยหน้าตาแบบนี้เออเราก็บอกก็ใช่นะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วการเชื่อมโยงระหว่างคนในอดีตและปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สาย แบบแค่ชั่วอายุคนสามารถข้ามชั่วอายุสึงสี่ชั่วอายุคนได้แค่รูปร่างหน้าตานะครับนั้นก็ทำให้เราเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าในตอนนี้ได้ให้เราได้คิดแล้วก็เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเขาเอามาจากสิ ป, ประการหลายคนพอได้ยินก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราที่เป็นคริสเตียนเพราะว่า พวกเราไม่ได้ถือบรรดาสิบประการแล้วเราถือพระคุณของพระเยซูคริสต์แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าคริสเตียนถึงแม้ว่าจะอ่านพ่องพี์ใหม่มากอ่านพ่องพีเดิมน้อยแต่ว่าพ่องพี์ทั้งเล่มก็ยังเป็นพ่องพีสลับคริสเตียนเป็นพ่องพีสรสลับโปรเตสแตนต์นั้นสิ่งที่เราจะฟังอยู่เนี้ยก็เป็นพระนัของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในพระธรรมอพยโยตุที่ยี่สิ ข้อสี่ถึงข้อหที่ได้อ่านไปนั้นเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งนะฮะในสิบข้อซึ่งในสิบข้อเนี่ยสามารถแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งพิจาคิดได้สรุปไว้เป็นสองเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้านั่นก็คือบัญญัติข้อแรกบัญญายนข้อสองที่พิจารคิดสรุปมาก็คือจงรักเพื่อนบ้านเมื่อรักตนเองอันนี้เป็นส่วนของ จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าหรือผู้อย่างนึ่งสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนคําว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจฟังดูง่ายแต่ถามว่าทําไงถ้าอยากจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเนี่ยจะทําไงข้อนี้เป็นข้อหนึ่งในบรรดาสข้อนะข้อนี้ก็บอกว่าถ้าอยากจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเนี่ยก็จะต้องทําไงฮะก็ต้องไม่ทำรูปเคารพ คำว่าทํารูปเคารพก็คือสร้างรูปเคารพหรือตั้งรูปเคารพซึ่งในที่นี้เราอาจจะเป็นคุณเสด็จของเราไม่ได้ทํารูปเคารพแต่เพื่อความเข้าใจโดยเฉพาะพวกเรา iPhone ก็เป็นรูปเคารพได้เพราะเราให้เวลากับมันเรายกย่องมันเมอร e เซเด e เบนซ์ enz, สำหรับบางคนก็เป็นรูปเคารพได้นะหรือบ้านหลังใหญ่ๆก็เป็นรูปเคารพได้รูปเคารพคือสิ่งที่เราให้มันสําคัญกว่าพระเจ้า เป็นวัตถุอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุมงคลไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปที่คนไปกราบไหว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งให้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าพระเจ้าในที่นี้ยังบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินโลกอยู่เบื้องล่างหรืออยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามกราบไหว้หรือ บนในบัตรรูปเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือถ้าเรายกย่องว่าสิ่งเหล่านั้นน่ยสูงส่งภาษาไทยก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าพระเจ้าเสมอไปเวลากราบไหว้สิ่งต่างๆเหล่า น, นี้ภาษาไทยบางทีเราใช้คําว่าสิ่งสังศิทธิ์สิ่งสังศิทธิ์ก็บอกเราไม่ได้ไปไหว้พระเจ้าไม่ได้ตั้งให้เป็นพระเจ้าแต่เป็นสิ่งสังศิทธิ์ก็คือยกย่องว่าเป็นสิ่งที่น่าที่จะต้องเคารพบูชานะฮะ แล้วก็ในที่นี้บอกว่าพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนคําว่าพระเจ้าที่หวงแหนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุยกับคนไทยทั่วไปเนี่ยลำบากมากเพราะเขาบอกว่าคริเสเตียนเนี่ยใจแคบคริเสเตียนเนี่ยไม่ใจกว้างนะฮะทำไมต้องบังคับให้เชื่อพระเจ้าองค์เดียวด้วยนะฮะก็คงจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะพูดได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับค่านิยมและท่าตินะฮะ พระเจ้าที่หวงแขนมันก็คือพระเจ้าที่รักเดียวใจเดียวถ้าจะอธิบายให้ชัดขึ้นนะแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยหวงแขนเพราะว่าขอโทษใช้ภาษาชาวานนิดหน่อยนะ ม, ม, มีมีเมียมากมีผัวมากหรือว่าผิดผัวผิดเมียก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าสถาติแบบนี้จึงบอกว่าใจกว้างใจแคบแต่สำหรับคนที่แต่งงานมีสามีคนเดียวภรรยา คนเดียวหรือว่าผูกพันกับสามีหรือภรรยาคนเดียวเนี่ยอ่านตอนนี้แล้วก็จะเข้าใจง่ายว่าในความหมายคือรักเดียวใจเดียวคือพระเจ้าต้องการให้คนอิสเรลเนี่ยรักเดียวใจเดียวกับพระองค์ซึ่งกลับมาที่พัญญัติของพระเยซูคิดบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดเนี่ยที่รักเดียวใจเดียวเป็นอย่างนี้แต่รักหลายใจเป็นอย่างนี้ไม่ได้ ถ้ารักหลายใจก็คือไม่ต้องสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดก็คือแค่รักตามอารมณ์วันนี้ภรรยาแต่งตัวสวยก็รักถ้าวันนี้ภรรยาแต่งตัวไม่สวยก็ไม่รักแต่ว่าในพระนาของพระเจ้านี้หมายถึงว่าไม่ว่าพระเจ้าจะอนุ ญ, ญาตให้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็ยังรักพระเจ้าอยู่ไม่รู้ว่าพูดได้เปล่าผมก็ไม่กล้าพูดหนึ่งร้ยเอร์เซ็นแต่ว่าผมกับภรรยาตอนนี้เกิด เจอกับวิกฤติอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือว่าภรรยาไปตรวจแล้วก็เบื้องต้นยังไม่ไม่ฟันธงนะครับ เ, ออเจอหมอหลายคนแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันก็คือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองเมื่อเช้าเพิ่งไปพบแพทย์มาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้พระเจ้าไม่รักเราทาไมปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ความรักก็คือว่า กลับมาที่สามีภรรยาอ๋อภรรยาเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองไปหาภรรยาใหม่แล้วกันอย่างนี้ได้ไหมฮะก็คงไม่ได้แต่ว่าหลายคนเข้าใจว่าถ้าพระเจ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็ไปหาพระเจ้าองค์ใหม่ก็ไปหาเรื่อยๆถ้าไหว่ส네 mm ิ่งสังดิสิทธนี้ไม่ได้ถูห่วยก็ไปหาที่คนเขาว่ามันดีกว่าแล้วพระญาติของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าให้เรา รักเดียวใจเดียวกับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์นี้ที่ได้เลือกสรรและผู้สร้างเราขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาษาไทยก็ใช้คาว่าสาบแช่งหรือว่า เ, าเรียกว่าเวรกรรมนะที่ว่ า, าชาติก่อนไม่รู้กี่ชาติที่แล้วทำเวรอะไรไม่รู้ชาตินี้ถึงเป็นงี้นะแต่พินามของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงเวรกรรมแต่พูดถึงการที่สิ่งที่ บัมพูลด์คนหนึ่งได้ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีผลกับลูกหลานของตนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าตกใจมากนะครับหลายครั้งก็จ ะ, ะบางครั้งเราบอกว่าที่เราเป็นเนี่ยเพราะบัมพูลด์ปู่ย่าตายายทำอะไรไว้ไม่ดีซึ่งในแง่หนึ่งในวงการแพทย์ก็มีการพูดถึง DNA ว่าถ้าใครที่สูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรื อ, อติดยาเสพติดเนี่ย DNA ในร่างกายมันก็ผิดรูปผิดร่างไปเมื่อมีลูกมันก็จะมีผลต่อลูกได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวงการแพทย์ที่เขาอธิบายเรื่อง DNA ซึ่งเราทั้งหลายที่ในยุคปัจจุบันก็จะได้ยินคำว่า DNA บ่อยนะในสมัยที่พ่อพีบันทึกไว้ไม่ได้เขียนคำว่า DNA แต่ได้บอกว่ามีการตกทอดหมายถึงว่ามีผลที่ไม่ดีเนี่ยตกทอดไปถึงลูกหลานได้ สองชั่วสามชั่วก็คือประมาณาถึงเหลนอย่างมากนะฮะถ้าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตกไปถึงเหลนแต่ว่าพระธมอีกตอนเดียวกันเนี่ยที่เป็นข้ อ, อประโยคต่อมาเนี่ยบอกว่าแต่แสดงความรักมันคงต่อคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเราจนถึงเท่าไหร่ฮะหนึ่งพชั่วอายุคน ถ้าทำธุรกิจกับพระเจ้านี่กำไรไหมครับฝากเงินไว้กับพระเจ้านี่กไรไหลเท่าตัวเพราะว่าพระเจ้าจะลงโทษเนี่ยแค่สามชั่วหรืออย่างสองชั่วนะฮะเร็วที่สุดก็สามชั่วหรือหนักหนาที่สุดก็สามชั่วแต่เวลาพระเจ้าตอบแทนเนี่ยหนึ่งพันชั่วอายุคนนะฮะ เพราะนั้นะญาติของพระเจ้าในตอนเนี้บอกว่าเราไม่ได้พูดถึงโกฎแห่งกรรมนะครเราพูดถึงเรื่องที่เป็นชีวิตจริงๆคนที่มีบวารุธอยู่คนที่ยังมีเราจะเห็นว่าถ้าเรามีโอกาสย้อนรอยกลับไปเนี่ยจะเห็นภาพชัดของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เกิดในครอบครัวคริเสเตียนคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย เ, เกิด เหมือนกับคนจีนทั่วไปนะคคุณปู่ของผมเนี่ยท่าน เ, าเสียชีวิตก่อนที่ผมเกิดนะฮะตอนนั้นคุณพ่อยังเด็กอยู่คุณย่าเนี่ยพ า, าคุณพ่อกับคุณน้าหรือคุณน่าจะเรียกคุณอานะฮะมาจากาประเทศจีนเพื่อมาพบกับคุณพ่อที่อยู่เมืองไทยนะฮะเสร็จแล้วไม่นานคุณพ่อก็เสียด้วยปัญหา ฝิ่นนะฮะเราคงเข้าใจย้อนถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งจีนทั้งไทยนะฮะก็คือคนจีนเนี่ยติดฝิ่นเยอะมากเลยในสมัยนั้นแล้วคุณพ่อผมก็เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็คุณปู่เนี่ยเสียชีวิตจากไปนะฮะครั้งี้คุณพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมตามคุณย่า ก, กลับไปเมืองจีนคุณพ่อก็ตั้งรกลากอยู่เมืองไทย แล้วก็ในสุดได้มามีโอกาสรู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้พบกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เองก็มีคุณยายที่มาด้วยกันนะคุณตาก็เสียชีวิตฝั่งของผมเนี่ยคุณปู่ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณตาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้าทั้งคุณย่าและคุณยายเนี่ยมีชีวิตอยู่ตอนที่ผมก็เติบโตมาสิ่งที่น่าสนใจที่มาเกี่ยวข้องกับพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ย คุณปู่เนี่ยซึ่งไม่ได้ไปกล่าวหาท่านอะไรมากแต่ว่าคุณปู่ท่านติดฟินน่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าคุณพ่อผมเนี่ยมาเป็นคริสเตียนมารู้จักพระเจ้าคุณแม่ก็มาเป็นคริสเตียน ร, รู้จักพระเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคริสเตียนจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมก็คือว่า เมื่อผมเติบโตขึ้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผมก็จากลงนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องของคุณปู่มานับว่าจะอวยพรไม่อวยพรผมเพราะว่าหลายคนไม่รู้จักคุณปู่ผมแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อผมไปที่ไหนเนี่ยคนที่รู้จักคุณพ่อผมเนี่ยก็จะพูดถึงคุณพ่อผม และบางครั้งเนี่ยนะสิ่งที่ผมได้รับประโยชน์ทั้งจากคุณพ่อจากคุณแม่ก็คือว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เคยทําคุณงานความดีไว้เนี่ยผมเนี่ยได้รับประโยชน์จากคุณพ่อคุณแม่ในความหมายที่อยากอธิบายกับพวกเราก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่พอพระทัยในความไม่ดีของคนบางคนแนอดีต แต่ว่าสิ่งที่ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ผมจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำไว้ถึงแม้ท่านจะจากไปแล้วนะก็คือเราเป็นการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะมรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินเงินที่ท่านเหลือวไว้ให้เราแต่ว่ายังหมายถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับหลายๆคนที่รู้จักท่านมันเป็น ผลประโยชน์ที่เรารับไม่ได้เป็นตัวเลขแต่มันเป็นผลบางอย่างที่อธิบายยากจนกว่าเราจะได้มีประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเชื่อมโยงในเรื่องต่างๆได้ถ้าเป็นนักธุรกิจเขาคงจะพูดถึงเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่สังคมสมัยใหม่ต้องการเครือข่ายเชื่อมโยงมากมายแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างชื่อเสียงไว้ดีแม้นเราติดต่อใคร ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้ชี้หน้าว่าไอ้ลูกคนนี้มาไม่อยากคบคาด้วยเพราะว่าอาดีตของคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรไว้ไม่ดีทำให้หลายคนไม่อยากคบคากับเราแต่เนื่องจากว่าทั้งสองท่านได้ดำเนินชีวิตยอยู่ในทางของพระเจ้าทำให้เราทั้งหมดที่เป็นลูกหลานเนี่ยก็มีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วผมขอข้ามาอีกตอนหนึ่งนะครับในข้อที่12นะครับข้อ12เนี่ยเป็นเรื่องจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือเป็นหมว ด, มวดที่สองของบรรดาสิบประการข้อนี้เนี่ยจงให้เกียรติอิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า ช่วงแรกเนี่ยพูดถึงการรักพระเจ้ารักยังไงก็คืออย่าไปสร้างอ้อขบเคี้ยเรื่องที่สองก็คือรักเพื่อนบ้านารักยังไงหลายครั้งเราคิดว่าเพื่อนบ้านคือใครคือคนที่อยู่ข้างบ้านจริงๆแล้วเพื่อนบ้านที่เรารักยากที่สุดคือใครถูกไหมคนที่ใกล้ตัวเราเพื่อนบ้านที่เรารักยากที่สุดเนี่ยคือคนใกล้ตัวเราบางทีก็คือสามีภรรยาของเราเองแหละ ะะบางทีเครียดๆนะก็จะปารบกันว่าทำไมเธอพูดกับคนอื่นดีทำไมพูดกับฉันไม่ดีนะที่คนอื่นก็พูดเพราะพราะแต่พอพูดกับฉันทำไมพูดไม่สุภาพหรือพูดไม่ไม่นุ่มนวลหรือไม่พูดแบบ เ, เหมือนกับพูดโทรศัพท์กับคนอื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของมนุษย์เราก็คื อ, เ, อ, อเราสนิทสนมกันบางทีเราก็ไม่ค่อยเกรงใจกันหรือ เพื่อนที่สนสนมต้องใช้คำสมัยพ่อขุนเพราะว่าถ้าใช้ภาษาสุภาพรู้สึกไม่ให้สนิทสนมกันอันนี้นก็อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่อย่างไรก็ตามพิะนักของพระเจ้าตอนนี้เตือนแบบนี้แสดงว่าอะไรคนเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่ค่อยให้เกียรติดดามานดานะฮะสมัยนี้หลายคนที่มีลูกที่มีการศึกษาสูงกว่าลูกบางคนก็บอก พ่อไม่รู้อะไรแม่ไม่รู้อะไรสมัยนี้เขาเป็นอย่างนี้กันแล้วนะเรียนก็เยอะกว่างั้นะบางครั้งเนี่ยลูกก็จะบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ย ล, ลูกรู้ดีว่าพ่อแม่นะพ่อแม่ก็จริงนะฮะหลายคนที่เป็นเด็กเล็กๆนะฮะต้องสอนคุณปู่คุณตานี่ iPad นี้ต้องเล่นอย่างนี้ต้องเลื่อนอย่างนี้นะบางครั้งเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะสอนผู้ใหญ่ว่าใช้อุปกรณ์สมัยใหม่อย่างไงมันก็จริงนะฮะ แต่พระญาตของพระเจ้าเนี่ยก็ยังเตือนให้เราบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินไอ้ตรงนี้อาจจะฟังแล้วก็ขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความรู้ของเราสมัยนี้ก็บอกว่าโอ้ยสมัยนี้คนอายุยืนขึ้นก็จริงนะฮะหลายคนบอกว่ายาก็ดีอาหารก็ดีอากาศก็ดีนะฮะทำให้คนอายุยืนยาวอายุยืนยาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับ พ, พรอพิจารณตอนนี้สักหน่อยหนึ่งอายุยืนยาวเพราะว่าคนเราเนี่ย มีหมอดีมีอะไรดีๆเยอะแยะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่น่าตกใจสาหรับสิริิในประเทศไทยก็คือประเทศไทยมีคนตายเนื่องด้วยอุบัติเหตุเป็นอันดับสองของโลกเราอาจจะไม่ได้ตายด้วยโรคไัยไข้เจ็บแต่เราอาจจะตายด้วยแหละฮะอุบัติเหตุทางรถยนต์ปีนี้ปีเดียวนะฮะ มีสองช่วงคือช่วงปีใหม่กับสงการเนี่ยโอ้โหคนตายเนี่ยมีคนบอกว่ายังตายมากกว่าไอแผ่นดินไหวหรืออะไรที่อยู่ในประเทศที่เขาด้อยพัฒนากว่าเราเนี่ยแต่ว่าเราตายด้วยอุบัติเหตุสูงมากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับสุภาพนะฮะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งก็ได้อธิบายว่าประเทศไทยขณะนี้มีผู้ป่วยนะฮะ ด้วยสาเหตุของโรคหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่นะก็มีมากทีเดียวนะฮะหรืออีกโรคหนึ่งที่คนไทยกำลังนิยมดื่มผมก็ดื่มนะฮะกาแฟ เ, เมื่อก่อนเนี่ยคนไทยไม่ค่อยดื่มกาแฟแต่ว่าเมื่อส a า b u c k คเข้ามาแล้วค่านิยมของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากการดื่มชามาดื่มกาแฟโอ้เข้าแถวยาวมากนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อ แล้วก็เขาบอกว่าคาเฟอีนก็มีผลต่อโครคภัยไข้เจ็บหลายชนิดแต่เนื่องจากแฟชั่นมันสำคัญกว่าก็คนก็ไปดื่มตามกระแสนิยมถ้าผมจะอธิบายสั้นๆตอนนี้นะครับก็คือกำลังจะบอกว่าการมีอายุยืนยาวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาอย่างเดียวนะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราไม่อายุยืนยาว ถึงแม้เราจะมีวงการแพทย์ที่เก่งก็ตามนะฮะตัวที่จัดการกับชีวิตของเราโดยเฉพาะคนที่มีรถหรูคนที่มีบิ๊กไบค์ Buy, โอ้โหน่ากลัวมากฮเมื่อก่อนนี่ผมขับรถเนี่ยผมก็กลัวมอไซค์ฮนะแต่เดี๋ยวนี้ผมกลัวบิ๊กไบค์มากเลยไม่ให้กลัวมาชนผมอย่างเดียวกลัวว่าผมเนี่ยจะทำให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรามองซ้ายเนี่ยเหมือนก็ มองเห็นได้ไกลที่สุดแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยเนี่ยความเร็วมันสูงมากนะตอนที่เราหันไปเนี่ยมองแล้วไม่เห็นแต่แป๊บเดียวมาจากไหนไม่รู้เราก็หันพุ่งไลรออกซ้ายไปแล้วบิ๊กไบค์ก็มาแล้วบิ๊กไบค์ก็มาทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือเนื่ความเร็วของมันเนี่ยมันสูงมากแล้วเราก็ได้สูญเสียคนที่มีความสามารถแม้กรั่งแพท ก, ก็เสียชีวิตเพราะว่าขี่บิ๊กไบค์นะครับ b i g ก i บคเป็นเทคโนโลยีก็ว่าได้หรือนวัตการรมก็ได้คือมันทั้งใหญ่ทั้งแรงทั้งเร็ว อ, อ, อะไรที่มันดีมากมันก็ทำให้เราจากโรงนี้ไปได้เร็วขึ้นนะฮะก็ไม่มีโอกาสช่วยนะมอไซยังมีศีรษะแตกพราะไม่ส่วนมอกกันนองหรือว่ามีบาดแผลแต่ b i g b ไบ e เท่าที่ได้ยินมาว่าถ้าล้มแล้วเท่าที่ติดตามข่าวไม่ได้ไปเจาะตัวเลข น, นะครับก็เสียชีวิตสะส่วนใหญ่ มีน้อยครั้งที่ได้ยินว่าคนรอดหลังจากอุบัติเหตุ b ิ g b i บตนะครเพราะว่าบิ g กไบตเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งเร็วนะครับก็อันนี้กลับมาอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมนิดหนึ่งตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมขี่ยานนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามผมเด็ดขาดเลยไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วจนป่านนี้นะฮะจนป่านนี้พูดอย่างไม่อายเลยผมยังขี่มอไซค์ไม่เป็นเลยผมขี่ยานได้แต่ผมขี่มอเตไซค์ไม่ได้ ก็คือว่าถ้าผมไม่เชื่อฟังแล้วก็แอบไปก็คงไม่ได้มายืนที่บนธรรมานี้ก็คื อ, อนี่คือคุณประโยชน์อย่างหนึ่งของการที่มีอายุอยู่ถึงตอนนี้ก็คือว่าเชื่อคุณพ่อคุณแม่เพราะตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยไอ้มอไซค์นี่ก็ฮิตมากนะฮะก็จนป่านเนี้ยผมยังขี่มอไซค์ไม่เป็นแล้วคิดว่าเห็นบิ๊กไบค์แล้วไม่อยากขี่แล้วแล้วก็คงจะพยายามบอกลูกต่อไปว่าอยากขี่นะครับ สิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ก็คือว่าพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าแล้วหลายอย่างเนี่ยที่พระเจ้าประทานให้กับเราเนี่ย พ, พระพรไม่ว่าเป็นความรอดหรืออะไรเนี่ยพระเจ้าให้แล้วแต่สิ่งที่ยากนะครับสาหรับคริสเตียนเนี่ยคืออะไรนะครคือเมนเทนหรือรักษาสิ่งที่ได้มาพระธรรมบัญญัติอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงว่าเรื่องอนิจจังก็คือว่า เมื่อคนหนึ่งเนี่ยจากโลงนี้ไปแล้วเขาบอกว่าไม่อ น, นุจางเพราะว่าไม่รู้ว่าคนที่จะมารับทรัพย์สินที่เขาทิ้งไว้เนี่ยเป็นคนโง่หรือเป็นคนมีปัญญาความหมายคือว่าโอ้โหเขาหาเงินมาเกือบตายแล้วก็ส่งต่อแต่ว่าคนนั้ น, เ, นเก็บรักษาไว้ได้หรือเปล่านะก็มีการพูดกันว่าถ้าธุรกิจแบบครอบครัวเนี่ยถ้าอยู่ได้สี่ชั่วยุคคนเนี่ยถือว่าเก่งบาง ธุรกิจเนี่ยแค่หนึ่งบางธุรกิจแค่สองก็หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราจะมีชีวิตยืนยาวเราต้องเชื่อฟังบิดามาดาซึ่งเมื่อเราเปิดมาดูพระธรรมเอเฟซัสซึ่งอ่านคู่ไปนั้นก็น่าสนใจซึ่งก็จะมีสองประเด็นที่ผมอยากจะเน้นในตอนนี้ประเด็นแรกก็คือว่าหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นคริเสเตียนน่ยไม่ต้อง อ่านพิมพีเดิมหรือพิมพีเดิมไม่เกี่ยวพิมพีใหม่เราลอดแล้วเราไม่ต้องอ่านพินัรณของพระเจ้าแต่เมื่อเราอ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่หเนี่ยหลักการของพิมพีนี้ก็เป็นถึงแม้ว่ายุคสมัยนี้จะใช้ดิจิทอลนะฮะแล้วก็สมาคมก็ได้สับสนุนให้มีดิจิทัลเราก็ทำดิจิทัลแต่ฟีเจอร์บางอย่างที่ดิจิทัลเนี่ยยังไม่มีทั้งที่ก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือว่า ในตัวหนังสือเนี่ยะก็อยากจะข อ, อพูดหน่อยหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจก็คือว่าในดิจิทัลเนี่ยบางครั้งมันไม่มีรายละเอียดมากแต่บางอย่างก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้ข้อ2เนี่ยเป็นการอ้างอิงแล้วก็มีเครื่องหมาย quotation mark ก็คงมีอยู่แต่นี่ทำเป็นตัวเอ็ให้เราเห็นเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอะไรครับบอกว่าข้อความตอนนี้มาจากความพีเดิม นะการทําตัวเองใ น, ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นตัวพิมพ์เนี่ยเพื่อจะบอกให้พวกเราที่เป็นคริเสเตียนรู้ว่าข้อความตอนเนี้ไม่ได้เป็นคําพูดของอาจารย์เปโอลแต่ว่าเป็นคําพูดที่อาจารย์เปโอลอ้างมาจากพระคัมภีร์เดิมนะฮะสิ่งที่อยากจะให้เราดูอีกนิดหนึ่งก็คือข้อหนึ่งของเอเฟซัสบทที่หบอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องนะฮะ คราวนี้อยากจะขยายความนิดนึงถึงแม้ว่าจะบอกว่าจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์ผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ยังต้องมาไขขวนคิดนิดหนึ่งก็คือว่าผู้รับจดหมายหรือรับสารคือชาวเอเฟซัสซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนยิวแต่เป็นคริสเตียนต่างชาติมันเป็นไปได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของคริสเตียนเหล่านี้อาจจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ได้นะ ฟังดีๆนะฮะคือคนที่รับจดหมายฉบับนี้จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยคือผู้ผู้รับจดหมายเนี่ยเป็นคริสเตียนต่างชาติไม่ให้เป็นคนยิวพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นคริสเตียนเจเนอเรชันแรกหรือเจเนอเรชันที่2ก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยคุณปู่คุณตาไม่ได้เป็นคริสเตียนคุณพ่อคุณแม่เป็นคริสเตียนคุณยา่าคุณยายเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนตอนที่คุณพ่อและคุณแม่ผมเป็นคริสเตียน คุณยายเนี่ยมาเป็นคริสเตียนชีหลังคุณแม่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเป็นคริสเตียนหลังสุดคือผมเป็นคริสเตียนแล้วคุณย่าค่อยมาเป็นคริสเตียนนะฮะก็ไป็นไปได้ว่าพิรุธของพระเจ้าตอนนี้อาจจะหมายถึงมีพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วหรือมีพ่อแม่ที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ได้ ก็มีการตีความหมายแตกต่างกันบางคนก็บอกว่าเชื่อฟังพ่อแม่เฉพาะพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนพ่อแม่ที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ต้องเชื่อฟังนะฮะก็มีคําสอนของบางกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยก็อาจจะพูดได้อย่างนี้ก็คือการจัดลําดับการเชื่อฟังหรือจัดลําดับความรักก็คือถ้าเอาข้อสูบ ข, ของพีเคริสต์มาจากการบัญจัดสองข้อคือ จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดเนี่ยเป็นอันดับแรกอันที่สองคือจงรักเพือนบ้านเหมือนรักตนเองในที่นี้ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือของคนที่รับจดหมายเนี่ยจะเป็นคึ้นเสียงหรือไม่เป็นขึ้นเสียงก็ตามเนี่ยสิ่งน่าสนใจคืออาจารย์โบโลใช้คําว่าเชื่อฟังจงเชื่อฟังโดยอ้างอิงไม่ใช่มีคําว่าเชื่อฟังคนระถ้าเราย้อนกลับไปที่เราอ่านไปแล้วและนี่ก็ เอามาอ้างอิงจงให้เกียรติบิดามาดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากํากับด้วยมีพระสัญญากํากับด้วยก็คือว่าอะไรถ้าทำข้อนี้จะได้อะไรนะฮะเป็นข้อแรกที่มีคาสัญญาํกากับด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีเมื่อและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดก็คือกำลังจะบอกว่าอะไร ก, ออการให้เกียรติคืออะไรการให้เกียรติคือการเชื่อฟังถ้าจะพูดสั้นๆก็คือให้เกียรติเท่ากับเชื่อฟังแล้วก็รักเท่ากับอะไรก็คือเชื่อฟังบอกว่ารักพ่อนะเดี๋ยวนี้พูดคําว่ารักเนี่ยง่ายขึ้นนะสมัยก่อนคนไทยพูดคําว่ารักยากนะคุณพ่อคุณแม่ก็ถ้ายุคผมไม่รู้ยุคนี้เป็นไงแต่ยุคผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยพูดคําว่ารัก นะแต่หลังๆเนี่ยพอเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค้อยกอดตอนหลังก็กอดเป็นนะฮะว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะแต่ถ้าอยากอธิบายให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนหรือแต่ละวัยแต่ละรุ่นที่อยู่ในห้องประชุมใหญ่เนี่ยก็อยากจะบอกว่ารักเท่ากับให้เกียรติให้เกียรติก็คือเชื่อฟังนะฮะพ่อแม่พูดอะไร อาจจะไม่เข้าหูแต่ให้เราฟังไม่ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายอย่างที่อยู่ในภคพระคัมภีร์เนี่ยให้เราเข้าใจได้ทุกเรื่องไหมนักเทศจะพยายามให้เข้าใจทุกเรื่องได้ไหมบางทีก็สุดความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับของพระคัมภีร์แล้วก็สําหรับเราที่เป็นคริสเตียนก็คือการเชื่อฟังถามว่าการเชื่อฟังยากไหมยากยากมากแต่ถามว่าง่ายไหมก็ง่ายคือไม่ต้องไปคิดนะ เมื่อวานนี้ณะเนะ e v e n Day ย์แอฟริก t นเนี่ยเขาได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบพ่อคัมพีโดยเฉพาะจากเรย์วินติบที่1 1ข้อ4เป็นต้นไปนะก็ได้พูดถึงว่าจากการสำรวจทั่วโลกเนี่ยคนที่กินอาหารแบบ Seven Day ย์แอฟหรือแบบพ่อคมพีเนี่ยจะอายุยืนยาวก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะ ณวันนี้ผ่านไปเนี่ยเขาบอกอายุร้5ยังมีชีวิตยอยู่แต่ตอนที่เขาถ่ายรูปมาเนี่ยได้มีการสัมภาษณ์ตอนอยุคหน่อยสองปีถามว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้มีชียืนยาวจะเรียกว่าอะไรคุณทั่วแล้วมั้งนะท่าหรับพวกเราส่วนยัง ก, ก็คุณทั่วท่านนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์สอนว่าไม่ให้กินอะไรก็ไม่กินนะฮ ะ, นะฮะก็ไม่มีเหตุผลไม่รู้เพราะว่าอ่า น, านพระคัมภีก็ไม่เป็น แล้วก็ไม่รู้หนังสือไม่มีความรู้แต่อาจารย์ที่โบสบอกว่าไม่ให้กินอะไรฉันก็ไม่กินนะฮะก็คือมันง่ายนะและสิ่งหนึ่งที่คำพูดนี้ก็เป็นคำพูดเดียวกับวิทยากรเก่าที่ผมก็ชอบพูดอยู่บ่อยๆก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยคนไทยเป็นคุณเสียน้อยเพราะว่าอะไรการเป็นคุณเสียน่ายเกินไปแล้วเราที่เป็นคุณเียนแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่เราจะไม่ทาตามเพราะว่า มันง่ายเกินไปก็คือก็เชื่อให้เชื่อมันง่ายเกินไปมันต้องใช้สมองหน่อยใช้ความคิดหน่อยต้องให้เหตุผลหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันยังคนไม่เจอหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์ยังหาเหตุผลไม่ได้จนกระทั่งตอนหลังบางเรื่องก็เจอบางเรื่องก็ยังไม่เจอนะคเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่รู้ไม่เจอทําไงฮะเชื่อไว้ก่อนแต่ไม่ซีโซเชื่อนะคนไทยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเชื่ อ, อยาก ใจกับเชื่อง่ายเห็นต้นกล้วยมันออกปรีประหลายประหลาดก็ยกมือไหว้ไปขอหวยมีอุบัติเหตุซึ่งเป็นเป็นเคาะกรรมของคนอื่นก็ไปดูเลขทะเบียนว่ามันเป็นยังไงไปซื้อหวยนะฮะิงจงเอาหัวห้อยก็ไปไหว้มันหน่อยแล้วก็ซื้อหวยถามว่าคริสเตียนเป็นพวกงมงายหรือคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเป็นพวกงมงายผมว่ามันก็พอๆกันแหละถ้าจะอ้างความงมงายนะฮะ ที่ทำว่าบางครั้งเราจะใช้คําว่า ง, งมงายเพื่อจะเป็นภาพเปรียบเทียบท่านเองนะฮะก็คือว่าบางครั้งเอาเหตุผลมาอธิบายทุกๆเรื่องไม่ได้แต่เราไม่ได้เชื่อแบบสเปะสปะแต่ว่าเชื่อตามที่พิรำของพระเจ้าคือเชื่อใครทําไมเชื่อฟังบิดามารดาก็คือว่าเชื่อฟังบิดามารดาเพราะว่าท่านอยู่ก่อนเราทําไมเชื่อพ่อพีก็คือมีคนที่อยู่ก่อนเราได้เป็นแบบอย่างแล้วได้ ให้เห็นผลดีและผลเสียของการเชื่อฟังและไม่เชื่อฟังคนอิสราเอลที่ยังเป็นประเทศอยู่ปัจจุบันเนี่ยทําไมเขาต้องกระจัด ก, กระจายไปเป็นเวลานา น, านเขาอยู่เพื่อเราด้วยนะฮะคือเขากลับมาเป็นประเทศเพราะเราด้วยเพื่อให้เราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่พ่อพีเขียนไว้อะไม่ได้โมเมก็คือว่าเมื่อเขาไม่เชื่อฟังเขาถูกป่าต้อนเป็นเชเลยเมื่อเขากําลังเป็นเชลยอยู่เนี่ยพ่อพีบอกแล้วว่าพระเจ้าจะนําพวกเขากลับมาและก็นําพวกเข า, ก ล, ากลับมาได้จริงๆทั้งที่ว่า ถ้าเป็นหลายคนอย่างผมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจีนตอนนี้ผมก็เขียนภาษาจีนไม่ได้ก็อ่านภาษาจีนก็ไม่ได้พูดได้นิดๆหน่อยๆกำลังอะไรที่ว่าแค่หนึ่งหรือสองเจเนเรชันเนี่ยก็สูญเสียความเป็นคนจีนไปแล้วแต่คนยูเนี่ยไม่รู้กี่ชั่วอายุคนยังสามารถเป็นคนยูอยู่ได้ไม่เคือว่าสิ่งที่เพิพ่งพีพูดถึงเนี่ยมันค่อยๆทําให้เราเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าพูดไว้เนี่ยเป็นจริงถึงพันชั่วยุคนก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเป็นพันชั่วยุคนพระเจ้าก็ยังรักษาคำสัญญาของพงที่ให้กับชนชาติอิสราเอลเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในพรมพรีจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อฟังได้คราวนี้มาพูดถึงรุ่นอาวุโสหน่อยนะรุ่นผมหน่อยรุ่นคนที่สูงอายุมากกว่าผมหน่อยนะครับถ้าท่านรักนะฮะส่วนใหญ่แล้ว คนไทยเราบอกว่าโอ้รักลูกนะแต่ลักลูกหลายครั้งตามใจลูกนะนะแต่ถ้าจะลักลูกจริงๆแบบคริเสเตียนเนี่ยต้องรักลูกโดยที่ตัวเราเองเนี่ยต้องเชื่อฝั่งพระเจ้าอ่ามีคนอธิบายว่าถ้าอยากให้ลูกเนี่ยอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ต้องรักกันลูกคนโตผมไม่ค่อมีปัญหาแต่ลูกคนเล็กผมเนี่ยชอบมาถามผมบ้างถามแม่บ้าง ถามผมว่าปะป๊ารักหม่าม้าหรือรักโจเซ่มากกว่าผมก็จะตอบด้วยความเชื่อมั่นตลอดเวลาว่ารักหม่ามามากกว่าแล้วก็เขาก็จะไปถามหม่ามาหรือแม่เขาบอกว่าม่มาม้ารักป๊าหรือรักโจเซ่มากกว่าแม่ก็ตอบด้วยความมั่นใจว่ารักป๊ามากกว่าก็าตอบอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่แต่อันนี้ผมไม่ได้ตาหนิใครนะถ้าใครมีเวลาก็แก้ตัวได้ก็คือว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงไทยนะฮะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเท่าที่รู้จักส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยถามถ้าลูกถามก็ต้องรักลูกมากกว่าเอาใจลูกกลัวลูกอย่าเสียใจนะแล้วก็พอมีลูกนะไม่สนใจพ่อไม่สนใจสามีสนใจแต่ลูกแล้วเป็นไงมันก็เกิดการหย่าร้างกันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ลูกโตแล้วถึงกล้าพูดว่ามัน มันเป็นไปได้แล้วเป็นจริงแล้วก็อยากจะยืนยันว่าความรักของพ่อแม่ะจะทําให้ลูกเนี่ยมั่นคงไม่ได้ลูกหวั่นไหวแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รักกันลูกก็หวั่นไหวทานองเดียวกันถ้าเราซึ่งเป็นพ่อแม่รักพระเจ้าก็มีผลต่อลูกของเราคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไปโบสถไม่เคยขาดแล้วพาผมไปโบสถไม่เคยขาดผมก็เลย ยังมีความเชื่อเพราะาอะไรเห็นว่าพ่อเนี่ยถึงเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปโบสถ์นะฮะผมเห็นคุณพ่อเนี่ยคุกเข่าอธิษฐานกับแม่พอผมเกิดเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยป่วยถ้าตามาคนที่ไม่เป็นคิดเสียเนี่ยจะบอกว่าไอ้ลูกเนี่ยมันเป็นลูกไม่ดีมันคือมันหมายถึงว่ามันเป็นคนที่ทําให้แม่ป่วยถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะถ้าแม่ผมไม่เป็นคิดเสียนะผมไงฮะ ถูกอเปะไปอยู่บ้านอื่นแล้วเพราะอะไรเป็นลูกจันทร์ลายเป็นลูกที่ทําให้แม่ตัวเองป่วยแล้วก็ตั้งแต่ผมเกิดมานี่นะคุณแม่ผมเนี่ยป่วยหนักท่านเนี่ยผ่าตัดเก้าครั้ง <c oughs> บางคนเขาเรียกว่าแมวเก้าชีวิตนะผ่าตัดใหญ่แนละไม่ผ่าตัดแบบเฉือยนๆเนะีนะ่ผ่ากระดูกสันหลังสองครั้งวัวลูกสองครั้งาตายสองครั้ง นะฮะลำไส้ใหญ่ก็สองครั้งคืออะไรก็สองครั้งหมดครั้งเดียวเอาไม่อยู่นะฮะแต่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เลิกเชื่อพระเจ้าไม่ได้บน่นน ะ, ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรา เ, เป็นครอบครัวที่ อ, อ, อธิษฐานกันทุกคืนก็คือว่าคุณพ่อทํางานข้างนอกกลับมาทํากับข้าวให้ลูกกินแล้วก็ดูแลคุณแม่แล้วก็เรียกพวกเรามาอธิษฐานที่ห้องคุณแม่ทุกคืนตอนที่คุณแม่ป่วย แล้วหลังการหายป่วยแล้วเราก็ทำเป็นประจำอันนี้คืออะไรคือการที่พ่อแม่เนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยก็จะทำให้ลูกเห็นถึงการเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ยากลาบากแล้วอะไรเกิดขึ้นครับก็คือว่าทำให้พวกเราเนี่ยเห็นความสำคัญของการอธิษฐานไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ็บป่วยแล้วก็เลิกเชื่อพระเจ้าแต่การเจ็บป่วยเนี่ยเมื่อเรา เชื่อฝังพระเจา้าทั้งที่เราไม่เข้าใจทำไมคุณแม่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ตอนคุณแม่เจ็บป่วยเนี่ยหมอที่ผ่าก็บอกว่าไม่สามารถมีลูกก็คือไอ้ลูกคนไม่ดีคนนี้ไม่เพียงแต่ว่าทําให้แม่เจ็บป่วยนะก็ทําให้แม่เนี่ยไม่สามารถมีลูกได้อีกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ให้กําเนิดน้องสาวของผมอีกสองคนแล้วก็มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็คือว่ามีหลายอย่างเราไม่เข้าใจ แต่เมื่อเราเชื่อฟังว่าพระเจ้าสามารถทําสิ่งที่ดีได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นลูกชายของผมเนี่ยมีสองคนคนโตก็ประสบความสําเร็จมากคนเล็กเนี่ยตอนเด็กเนี่ยโอ้ทาให้เราก็เครียดนิดหน่อยว่าเอ๊ะทาไมเขาต้องเป็นโรคสมาธิสั้นด้วยโอ้โหเป็นโรคสมาธิสั้นนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่ค่อยเชื่อฟังดื้อโอ้โหแล้วก็มันเขาเรียก ว, ว่าชีวิตเราก็ลําบากนิดหน่อยแต่เมื่อผ่านไปจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ล่าสุดนี่นะคร คุณพ่อคุณแม่คือพวกเราสองคนสามีภรรยาเนี่ยต้องคอยบอกเขาว่าลูกต้องทำนู่นลูกต้องทำนี้นะต้องเป็นคนโทรตามเขาว่าทํานี่ยังทําการบ้านอะไรคือเขาเป็นคนสมาธิสั้นเขาจะลืมนู่นลืมนี่แต่โดยพระคุณพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเอาใจใส่แล้วก็นําเขาไปโบสถ์ถึงแม้ว่าไปโบสถ์เนี่ยฮะเขาจะมีคําพูดอย่างหนึ่งนะฮะผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นอนุชนอยู่แถวหน้าแล้วก็ถวายเพ่ก็ปัจจุบันเนี่ยคิดจากหายแห่งเนี่ยไอการต่อเนื่องเนี่ยมันยากลูกของผมคนนี้เนี่ย ตอนเช้าปลุกไปโบสเนี่ยไม่อยากตื่นเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผ ม, มยังขอบคุณพระเจ้าคือว่าถึงแม่เขาบอกว่าทําไมต้องไปโบสถ์แต่เช้าเขาก็ตามพวกเราไปทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดจนเว้นเขาต้องไปเรียนเราตอหรืออะไรจนกระทั่งเมื่อวันศุขที่ผ่านมาเนี่ยคือตั้งแต่ลูกไปอยู่อเมริกาแล้วคุณแม่ไม่เป็นฝ่ายโทรไปหามีหลาลูกโทรมาหาแม่แล้วก็เป็นคนนัดว่าทุกวันเสาร์ตอนเช้าจะโทรมาหาแต่ว่าเนื่องจากว่า สุกตอนคืนเสาร์อาทิตย์จะต้องไปค่ายของคิดจากทีอเมริกาวันศุกร์ตอนเช้าเลยโทรมาล่วงหน้าโทรมารายงานตัวนะแบบนี้ไม่รู้ว่าครอบครัวไหนยังมีเหลืออยู่เปล่านะแต่ว่าพูดด้วยความขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ด้วยการโอ้โหขอบคุณพระเจ้าว่าลูกที่เราเคยต้องคอยตามเนี่ยตอนนี้เขาเป็นฝ่ายเริ่มมาหาว่าเออให้รู้นะอาทิตย์ เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขาไปค่ายนะไอ้วันเสาร์ไม่โทรมาไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาไปค่ายผมคิดว่าเท่าที่รู้ไม่ได้ปรปรําใครแต่ว่าเท่าที่รู้คงจะหายากมาคืนที่จะมีคนนอกจากโทรมาขอตังค์นะครมีคนเคยปาร์ บ, บอกว่าไอ้ น, นี่ไอ้ลูกเนี่ยไม่เคยโทรมาเลยถ้าขอตังค์เนี่ยหลายเดือนโทรมาสักทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ไม่ต้องการอะไรไม่โทรมาหรอกแต่ลูกคนนี้ไม่ได้โทรมาขอตังค์โทรมารายงานตัวว่า เขากําลังจะไปค่ายแล้วเขาต้องการที่จะบอกให้เรารู้ว่าถ้าไม่ได้โทรวันเสาร์ก็คือว่าเขาไปค่ายไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะก็ทําให้เราสบายใจก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําให้เป็นแบบอย่างเขาก็เป็นแบบอย่างพระญาณของพระเจ้าที่จะสรุปให้เห็นนิดหนึ่งก็คือในหนึ่งพงศษัตรบทที่สิอข้อ9ถึง13นะครับซึ่งเป็นคําพูดที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าเนี่ย ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะเห็นแก่บัมพบุรุษนะก็เป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของท่านหลายท่านที่มีลูกหลานนะครับว่าลูกหลานของท่านจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ท่านมีความสัมพันธ์ยังไงกับพระเจ้าในข้อ9ถึงข้อที่อ่าสินะครับในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่11บอกว่าพระยาเวกิลซาลมอนนะโกรธกษัตริย์ซาลมอนเพราะพระเจ้าเพ ร, นะ ร, รษษษษษาะพระทัยของท่าน ได้แหงไปจากพระยาเว์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ส่งบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นแต่ท่านไม่ได้รักษาพราะบัญชาของพระยาเว์เพราะฉะนั้นพระยาเว์ตรัสกับสมอนว่าเพระเจ้าทําเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชกาของเจ้าข้อนี้อยากจะเน้นก็คือว่า อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่ทำในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรชายของเจ้ามีอย่างไรก็ดีอีกนะครับอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอนาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราคำว่าเพื่อเห็นแก่ดาวิดนี่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเน้นที่สาคัญนะะ หลายครั้งผมได้รับสิ่งที่ดีจากผู้ใหญ่หลายท่านเพราะว่าเพื่อเห็นแก่คุณพ่อคุณแม่ของผมและเราที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายคนมีลูกมีห ล, ลานหลายคนถ้าอยากจะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีไม่เพียงแต่ให้เงินให้ทองกับเขาแต่ความสัมพันธ์ที่ดีของเราในยุคสมัยของเราที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วอะไรนะลูกหลานของเราก็รับผ่อนของพระเจ้า ถึงคุณจะให้เงินนะมากมายให้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่ว่าเขาก็จะผ่านได้หมดเหมือนกันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าเป็นมรดกที่สำคัญที่จะต้องถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราเร <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่มีอนุชนหลายคนที่อยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปเรียนพิเศษในวันอาทิตย์อันนี้ก็ผู้ได้อีกเพราะว่าลูกสองคนไม่ได้เรียนพิเศษ ในวันเสาร์วอาทิตย์ไม่ได้เกี่ยวว่าเก่งหรือไม่เก่งลูกคนโตก็เก่งเพราะว่าเข้าเรียนแพทย์ได้จบแพทย์ลูกคนที่สองไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเรียนพิเศษก็คือเขาก็มีความสุขแล้วก็เขาก็ยังหาตัวตนไม่ไม่เจอเขาก็ย้ายคณะภายในปีเดียวย้ายสามคณะแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นสิ่งที่ผมและภรรยาเป็นห่วงผมและภรรยาพูดกันสองสามครั้งว่าเออตอนนี้ถ้าจะตายก็ตายตาหลับเพราะว่าลูกทั้งสองอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้ลูกทั้งสองร่ํารวยหรือว่าเก่งนะคนโตอาจจะเก่งกว่าคนน้องแต่ไม่แน่เดี๋ยวคนน้องอาจจะแสงก็ได้เพราะว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรใครเนี่ยเออมันไม่ได้อยู่ที่ลำดับพี่หรือน้องแต่ว่า เราก็เห็นในพระมัมพีโยเซฟก็เป็นคนที่พระเจ้าอวยพรช่วยพี่ๆได้เรายังไม่รู้นะพอดีอเขาชื่อโยเซฟเหมือนกับคนในพ่อมพีก็อาจจะเป็นตัวเขาแหละเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้เราก็ไม่รู้นะนั้นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวเราและครอบครัวอของลูกต่อไปก็คือเข้าอยู่ในทางของพระเจ้าพระธรรมตอนสุดท้ายนะฮะ ที่อยากให้เห็นถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงอิทธิพลของบําพบุฟลุตมีต่อเราแล้วก็หลายคนอาจจะบอกมันช้าไปแล้วมันสายเกินมล้วที่จะทําอะไรให้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าก็อยากจะให้ข้อคิดและข้อหนุนใจก็คือว่าเมื่อเราฟังเทศก็อยากให้เราเลือกและตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไม่ให้เป็นแค่ความรู้นะครับก็คืออยากให้พระธรรมเอซีเคียวบทที่สิบแปข้อหนึ่งถึงสี่เป็นข้อคิดกับเราว่า ไม่มีอะไรสายเกินไปวันนี้ยังทําได้คุณพ่อคุณแม่ผมไม่มีคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นขุนเสียนแต่เมื่อท่านตัดสินใจปับชีวิตของท่านเปลี่ยนเปลี่ยนจนกระทั่งอะไรเปลี่ยนจนกระทั่งคุณยายและคุณย่า ย, ยอมมาเป็นขุนเสียนต้องเข้าใจนะฮะคนจีนเนี่ยเรื่องคําพรุดนี่มันเป็นเรื่องสําคัญมาก แล้วก็การที่คนไม่ยอมมาเป็นคริสเตียนในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวใครจะไหว้แล้วก็คนที่เป็นลูกเนี่ยจะถูกตาหน้าเลยว่าไม่ไม่เคารพ บ, บิดามารดาเพราะว่าอะไรเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ไหว้าทาไงแต่ว่าคุณย่าและคุณยายผมเนี่ยได้มารู้จักพระเจ้าทั้งที่ตอนที่ท่านฉราแล้วนะทั้งที่ท่านชลาแล้วก็แสดงว่าท่านเนี่ยได้ตระหนักแลได้เห็น สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือชีวิตของลูกที่ได้มารู้จักพระเจ้าทั้งที่นะทั้งที่นะฮะแม่ผมเนี่ยไม่สบายตอนนั้นตอนที่แม่ไม่สบายนะคุณยายก็ยังมีชีวิตยอยู่แต่การเจ็บป่วยของคุณยายของผมเนี่ยขอโทษความเจ็บป่วยของคุณแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอุปรสรรคที่ทําให้คุณยายไม่รู้จักพระเจ้าไม่ทราบเข้าใจไหมือที่จะพูดเน้นตรงนี้เน้นย้ําบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าหลายครั้ง เราเข้าใจว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นมิติเดียวคือมั่งมีสีสุขในภาษาไทยแต่ในความยากลำบากเนี่ยพระเจ้าก็ยังปากฏสสำแดงพงให้เห็นได้ดังนั้นอย่ากลัวแล้วผมก็อยู่ในสภาพที่กล้าเทศอย่างนี้ก็เพราะวากำลังเจอวิกฤตที่ภรรยาสุดที่รักษ์ของผมกำลังป่วยอยู่อันนี้ไม่เป็นเทศแบบตามตาราแต่ว่า อยากกระเทจากชีวิตจริงแล้วอยากกระท้าทายพวกเราที่ไม่รู้จะเจอวิกฤตหรือไม่เจอวิกฤตไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์เดชและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรฮะการเลือกและการตัดสินใจนะพระคุของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระคุณของพระยาเว์มาอย่างข้าพเจ้าอีกว่าเจ้าหลายกล่าวสุภาษิตนี้ที่เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลด้วยความหมายอะไรคือเมื่อกล่าวว่าพ่อกินองุ่นเปรี้ยวและลูกก็เข็ดฟัน พระยาเวอง์เจ้านายตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไรเจ้าหลายจะไม่ใช้สุภานสุภาธิ์ น, นี้ในอิสระอีกนี่แนะ่ชีวิตทั้งหมดเป็นของเราชีวิตบิดาเป็นของเราเช่นเดียวกับชีวิตบุตรก็เป็นของเราชีวิตใดที่ทําบาปก็จะต้องตายหมายความว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่แน่นอนคุณพ่อคุณแม่อาจจะถ่ายทอดมาถึงเราแต่ว่าคริสเสียเนี่ยได้เปรียบกว่า กลุ่มคนใดในโลกนี้ก็คือว่าเราติดต่อสายตรงก็คือถ้าเราตัดสินใจเด็ดขาดแน่วแนในการติดตามพระเจ้าในการเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้านะที่เมื่อกี้บอกว่าสองสาชั่วยุคคนเนี่ยไม่ต้องคอย2อสชั่วยุคคนในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ต้องบอกว่าชดใช้กรรมก่อนแล้วค่อยจะดีขึ้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เราตัดสินใจถ้าเราทําอะไรวันนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปบอกว่าชดใช้กรรมเก่าหมดหรือยังไม่ต้องไปบอกว่าเ อ, อ, อเจนติกหรือยีนของพ่อมาตกทอดมาถึงเรามันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันครบสามชั่วยุคนหรือยังนะฮะในข้อ19เพิ่มนิดหนึ่งแต่พวกเจ้ายังกล่าวว่าทําไมบุตรจึงไม่รับโทษความชั่วของบิดาของตนเมื่อบุตรได้ทําความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้ว ทั้งได้รักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราได้ได้ทำตามเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญพระพีตอนนี้บอกว่าเมื่อบุตรได้ทำความยุติธรและความชอบทําแล้วทั้งได้รักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและได้ทำตามเขาจะมีอยู่อย่างแน่นอนก็คือถ้าคุณในคนหนึ่งในที่นี้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ทาอะไรทาไมเราต้องมารับผลอะไรเนี้ย พมพีบอกว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระเจ้าต้องการอะไรเห็นการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าไม่วิตกกังวลหรือไม่ไปนับอดีตของบัมพุรุษ ข, ของเราและส่วนเราทั้งหลายที่เป็นบัมพุรุดที่มีลูกหลานสิ่งที่เราต้อง เ, อเรียกว่ารักกันจริงๆกับลูกหลานของเราก็คือถึงแม้ว่าอาดีตเราอาจจะทาอะไรไว้ ไม่ดีอาจจะทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยแต่วันนี้เราตัดสินใจเด็ดขาดลูกหลานเรา ม, มีชีวิตอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าจะเห็นแก่เราที่อวยพรลูกหลานของเรานนี้เป็นเรื่องสองทางวันนี้เป็นเรื่องสองทางทางหนึ่งก็คือบัณฑุที่เป็นผู้สูงวัยนะฮะที่นั่งอยู่ที่นี้กับเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี้ทั้งสองมีความรมับผิดชอบเหมือนกันก็คือจะต้อง เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเพิ่มเติมคับคนรุ่นใหม่ก็คือเชื่อฟังบิาดามารดาโดยเพราะบิดามารดาที่ถึงแม้ไม่มีความรู้แต่ว่าเป็นบิดามารดาที่มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้เราเรายิ่งควรจะเชื่อฟังเพราะว่าเราจะได้เห็นพระพรที่คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีความรู้คุณพ่อผมจบป .1 แต่สมผมเรียนจบปริญญาเอก ลูกหลายคนคุณพ่อเราก็ขอบคุณโซเชียลมีเดียพ่อแม่เป็นคนเก็บขยะส่งลูกเรียนปัญญาตรีลูกต้องเอาเสื้อคุยไปต้องไปถ่ายรูปโดยไม่อับอายว่าพ่อแม่เขามีฐานะต่ำต้อยแต่ว่าสามารถส่งลูกเรียนได้นี่เป็นคือตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างผมหนุนใจว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมเสมอและหากเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพง์ตัดสินใจเชื่อฟังตามพิรยของพง์พระพรของพระเจ้า ไม่ได้รูปแบบเดียวมีหลายรูปแบบอาจจะมาทางเงินทองมาจากสุขภาพมาจากอะไรก็แล้วแต่หรือมาจากการศึกษาก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นขอเราร่วมใจทิ่ทานนะครับข้าแต่พระเจายาย้าพรผู้ทรงสูงสุดทรงส่งพระชนอยู่และทรงทรงเห็นและทรงทราบถึงความคิดในจิต ใ, นในจของค้าพาหลายการตัดถึงใจของหลายคนในวันนี้ที่ได้ฟังพิรุธของพงษ์และพิรุธของพงษ์จะไม่พูดออกไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่จะเกิดผลในชีวิตของคนที่ได้ยิน ขอพระเจ้าทรงช่วยบางคนที่กําลังไข้ควรตัดสินใจบางเรื่องก็ขอให้การตัดสินใจนั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพงศ์ขอให้ชีวิตของทุกคนที่อยู่ในทีน่นี้ไม่เพียงแต่ถวายเกียรติพระพงศ์แต่จะส่งผลไปถึงลูกหลานอีกเป็นพัานชั่วยุคนตามคําสัญญาของพงศ์ขอขอบคุณสรรเสริญพระพงศ์ในคําสัญญานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน